สังทม์กอให้จำนี้จำตาลเป็นแผนที่ในการเดินทางของชีวิตบทสวดมนต์สอนขยายพะสูตรก็เป็นแผนที่รู้สึกว่าสนุกสนุก เพิดอเผยในการสาธิยายพระสูตรกฎสวดบนธรรมเจ้าวสวรวัดเย็ดเป็นแผนที่ทิศทางที่เราจะต้องดำเนินชีวิตที่เหมือนถูกต้องยิ่งเรามีโอกาสปฏิบัติกรรมฐานฝึกได้แผนที่เราเดิน ด้วยตัวเองคนเดียวกลางแผนที่เหมือนเกิดเป็นเช่นนั้นแล้วก็เดินไปมีสติเป็นกายอยู่เป็นประจอมมันจะได้บทเรียนจากกายที่มันแสดงออกว่าไายมันมีวิญญาณ วิญญาณทางกายมันแสดงหลายอย่างเพื่อจะได้ไม่หลงตรองรู้จักแผนที่แล้วตรงไหนที่มันหลงตรงไหนที่มันผิดเราลู้แล้วเราได้แก้แล้วได้เห็นสิ่งที่มันหลงสิ่งที่มันผิดเราได้ทำแล้วได้บ้างไม่ได้บ้างจะ ร, รอทำว่า จ, จะไม่เหมือน แทนที่ที่เป็นเส้นทางที่ขีดเอาไว้เหมือนพระพุทธเจ้าว่าจิตเป็นใหญ่ขีดเป็นหัวหน้าสาเร็จอยู่ที่จิตใจมันสําเร็จตรงไหนสําเร็จในทางใดความหลงเป็นความหลงก็มีความหลงเป็นความไม่หลงก็มี มันพ่อมกันตั้งจิตตั้งวิญญาณบางทีอาจจะเคยมาแบบนั้นเดินทางมาผิดมาทางนันอยู่ในป่าในดงแทนที่จะลูกอายเป็นหลงไปก็ม่พลาดแล้วพลาดอีกอย่าโทษแท้ว่ายามมันทำน่้อยู่บริษักรรมฐานช่วยได้เยอะ แต่รูปแบบพุงกรมาฐานคู่แขนเข้าเหยียดแขนออกช่วยได้อย่าไปคิดหาคำตอบไปเอาผิดเอาถูกกับความคิดไม่เป็นการกระทำลงไปเป็นการกระทำลงไปได้ทำจริงๆเออแล้วมันผิดได้รู้เอาไหนมาก็เปลี่ยนได้ นี่คือภาคปฏิบัติภาคฝึกหัดอาจะภาคเรียนรู้ใครๆก็รู้ความโกรธไม่ถูกต้องไม่ดีเราก็ยังโกรธความทุกข์มันไม่ดีเราก็ยังทุกข์มันยังใช่มาได้ความรู้เนี่ยต้องหัดมหัดตุก่อนโยนมันเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้พ้นไปพ้นไป ตรงไหนลงเป็นกายเป็นความจำนานพิเศษมีภาคจำนานพิเศษเฉพาะงานเหมือนเราเรียนวิชาการต่างๆในศาสตร์ต่างๆจำนานในทางใดล้วก็พอได้ฝึกที่มันผิดตรงที่มันผิดเห็นหมดมกลายเป็นความำาํำนาง สันสัดเป็นชิ้นไปตรงนั้นเราจึงต้องฝึกหัดตัวเองตัวใครตัวมันแล้วก็ถูกต้องที่สุดได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนร้ายเป็นดีความสมก็ชื่อกับการปฏิบัติชื่อว่าปฏิบัติคือเปลี่ยนร้ายเป็นดีได้เห็นความไม่ดีได้เปลี่ยนเป็นความดี ได้เห็นความผิดได้เปลี่ยนความถูกนั่นแลลวเป็นตัวปฏิบัติทำเป็นแล้วเหมือนคนขับรถไม่ใช่นั่งขับรถลงวิ่งไปเฉยๆแค่นั้นไม่พอใครใคยก็อาจจะทำน้อยแค่นั่นจะพมอมาลอยเหยียบกันเล่งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหยุดโดนหน้าถอยหลอง สอนก็ได้แช่นั้นคู่ผู้สอนก็สอนแช่นั้นเยอะหนึ่งเยอสองขึ้นเยอหนักเยอเบาถอยหน้ะถอยหลังสอนก็ได้เช่นนั้นคนอื่นสอนแต่ที่เราสอนตัวเราเองจริงมีมากกว่านั้นเวลามันเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอุบัติเหตุนดวิ่งตัดหน้าไม่ได้สอนกันตอนนั้นทําอย่างไร ตอนที่คนวิ่งจัดหน้าหรือขมม่วมโม่งของหัวนอนอาจจะมีผู้ขับรถขับเรือนราจะปรึกตนอย่างไรให้เกิดความพร้อมอย่านี้ถ้ามันจะคนวิ่งจัดหน้าหรือรถวิ่งจัดหน้าตอนนั้นนะแสดงถึงความขับรถเป็นถ้าบัญพุ่งจากกวดจเหตุนั่นแหละขับรถเป็นแล้ว อัรเป็นดาวโปรดภัยแล้วจารที่จะมีไพยเกิดขึ้นไม่มีไัยตอนนั่นแล้วก็อาจจะมีฝีมือชำนาญในแบบนั้นปฏิบัตริธรรมก็เหมือนกันถ้าความหลงเกิดขึ้นหน่อย้นตรงนั่นแล้วไม่หลงแล้วรู้แล้วนั่นแ่ะปฏิบัติธรรม ภาวนาก็คือขยันลูกไม่ใช่บริกรรมพึมพังพึมปมพุทโธพุทโธสมอหลองชุกหนอพองหนอไม่ใช่แบบนั้นลุกมันคือเลยยุบให้เห็นพองคือเลยพองให้เห็นแต่ไว้ก่อนอาจจะว่ายุบพองยุบพองพองยุบพองยุบต่อมา็มาเพิ่มเขาว่าหนอหนอ มันก็เลยพกเข้าไปมันหนาเข้าไปกาเป็นการบริกรรมไปภาวนาคือขยันลูกคือขยันลูกเอาการมาเป็นวัสดุอุปกรณ์ผิดนห้มันเกิดความขยันลูกส่วนจิตใจนั่นมันจะมาเองต้องให้ลูกันอีก เพราะมันลูกเป็นทุนเป็นเจ้าเรือนอยู่แล้วเหมือนคนโข บ, บา้านมีชดีไปใ น, นกายอยู่เป็นประจำเหมือนเราโข บ, บา้านใครจะมาก็จะเห็นะอะไรมาก็จะเห็นตัวจาั ก, การละเทสะจะเกี่ยวข้องสิ่งที่สอนมาอย่างดีไม่ใช่ สีผามผลผันบันเล่นเกิดความหลงเกิดขึ้นไปกับความหลงไม่ใช่คนพ่อบ้านความทุกข์เกิดขึ้นใบกับความทุกข์ความโกรธเกิดขึ้นไปกับความโกรธมันมีนะไม่ใคนพ่อบ้านอาคันดุกะมันมีใจของหลอนมีอาการดุกะจิตใจก็มีอาคารดุกะที่มันโจรมามันไม่บอกเรา เกิดขึ้นมาเองต า, าตมธรรมชาติก็มีปุกแตงก็มีไม่ใช่ธรรมชาติก็มีปลุแตงก็มีมาเล็กแดงก็มีมะเร็งทำให้เราเตรียมไพร้อก็มีเพราะนั้นจึงภาวนาสือยันรใหยมากเอาไว้โ้ยวิชากรรมาฐานจิตสีจังหวะจิตห้าจังหวะ เอาให้นเพียงพอแล้วเกิดหลักสูตรที่มันปรับปุงมาดีแล้วที่มันใช้ได้จริงๆเอาถึงภาวะที่รู้เลยไม่ต้องมีอะไรมหอพม์เลแต่ก่อนอาจจะไววนิ่งไวนิ่งไวนิ่งไหวนิ่ง <c oughs> ไหวนิ่งไหวนิ่งไหวนิ่งไหวนิ่งตัดไหวนิ่งออกจะรูเข้าไปเลยถึงพิกถึงขิงกันเลยรูรูรูรูไปเลยโอ้ถึงภาวะทุรูสุดแล้วสุดแผนดินแล้วรองรูจิตตัวถ้ามีอะไรเกิดขึ้นรูจิกตัวสุดแผ่นดินแล้วจบแล้วแค่นั้น ถึงเพราะว่ารู้สึกตัวจบแล้วอะไรมันจบไปจบไปอะไรเกิดขึ้นรู้สึกตัวอะไรเกิดขึ้นรู้สึกตัวแล้วเกี่ยวข้องกับจิงนั้นอย่ยางถูกต้องต่อไปเป็นกับมันก็เกี่ยวกับกันมาถูกเดี๋มันหลงหลงไปเกี่ยวกับความหลงในถูกต่อมันหล ง, ลง CH, รู้สึกตัวต่อมันทุาานกข์รู้สึกตัวถ้ามันโกรธรู้สึกตัวต่อมันปรุงแดงอะไรรู้สึกตัว นี่คือทั้งหมดแล้วเป็นผู้รักษาศีลด้วยถ้าทำอย่างนี้ปฏิวัดิธรรมด้วยมีศีลด้วยมีสมาธิด้วยมีปัญญาด้วยพร้อมกันทันทีเลย <c oughs> ถึงความรู้สึกตัวมันผ่านได้หลายอย่างกว่าจะเข้าถึงความรู้สึกตัวมันผ่านอะไรมาเยอะแยะแบกบาบแลกโดมาจนพ้นมาถึงความรู้สึกตัว นี่คือธรรมะความถูกต้องเราจึงหัดเอาเองได้บลเรียนจากกายจากใจให้มันมีอาการเกิดขึ้นหายอย่างจนเห็นมันเป็นรูปธรรมเป็นรูปเป็นนามดูปไปตอวมาถูกปรหลอก เอื้อนเนขยมันคือรูปคือนามจริงเท็จจริงแค่ไหนเค็จจริงแค่รูปแค่นามจริงที่เกิดขึ้นกับรูปตามเป็นิาการเป็นวัตถุมันก็แสงดงไปตามธรรมชาติบ้างหรือถูกปรุงแต่งบ้างรี่ว่ารูปทํานามทํ า, ามัานมีการกระทําทําทางรูปทําทางนาม มันทำดีก็มีลูกมันทำผูวก็มีนามมันทำดีก็มีมันทำผูวก็มีลูกทำนามทำสิ่งที่ทำก็เป็นกรรมเมื่อมันหลงก็ได้กรรมแบบนั้นในความหลงที่เกิดกับนามมาทำลูกไปหลงเรื่องนามนามไปหลงเรื่องลูก รูปไปเบียดเปลี่นนามนามไปเบียดเปลนรูปพอเจ็เป็นทุกข์เป็นโทษปรุงแต่งไปกลาเป็นสังขารปรุงแต่งไปตจากรูปจานามกายเป็นสังขารกลายเป็นวิญญาณกลาเป็นอุปทานเป็นพพเป็นชาติไปถ้าใช่ไม่เป็นเกี่ยวข้องกับรูปนามไม่เป็นไปไกล ายถึงเปรติตนุกเปรตฉานนต่นเจียวข้องกับถูกต้องไปสู่สุขติไปสู่มรรคสู่ผลจบโดยจงมหาหัดนั่นมีมรรคมีผลชีวิตของคนเราเนี่ยไม่เหมือนสัตว์เดรตฉานพัฒนาได้สัตว์เดรตฉานเกิดมาอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นพัฒนาไม่ขึ้น วันเราถ้าไม่พัฒนาถ้าพัฒนาไม่ด <c oughs> าไม่พัฒนาเปลี่ยนให้มันดีเปลี่ยนร้ายเป็นดีมันก็ไม่สมกับชื่อว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐริงที่มันเปลี่ยนล้อไม่ใช่ยิ่งใหญ่หลังบางทีเป็นอาการเฉยๆเกิดกับรูปคำนามเลย เป็นความโกรธก็เป็นอาการความทุกข์เป็นอาการกิลเลสหนหาเป็นอาการไม่ใช่ปีตัวไม่ต้นอะไรเราถูกเราก็เป็นตกเป็นทาตสของสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้โคงลงาำลมมากไม่เป็นที่ฉลาดในจิตมีใจก็หมกห ม, ม, หมุ่นด้วยอารมณ์หมกมุ่นคุนคิดมากหลายหลายอย่างเก็บข้อมูลไว้ปิด มีกายก็ใช่ไม่ถูกต้องจนเจ็บไข้ได้ป่วยกินเหล้าสุโุรีอะไรหลายอย่างเพราะโลกคนโลกโลกนี่มันมีรสชาติรสชาติบางทีก็คนก็ปรุงรสชาติข้มาให้สัตว์โลกติดสีเสียงแสงต่างๆทำให้สัตว์โลกติด ผู้ไม่มีการฝึกตนสนเราก็ตกเป็นทาสของโลกโสดาชวนเชื่อลงหนังหลงมากมาสิ่งปุงแตงมากมายโสรฟินีแหลงการะนันมากกว่าโรงเรียนคนดีอาจจะมากกว่าคนชั่ว จ, จะมากกว่าคนดีมันไม่สมดุลกันถ้าเราฝึกตัวเราดีตกน้ำไปไหลตกไฟไปไบเหมือนทอง เมนเพชรเหมือนพลอยแม่หมักหมมใหญ่ขี้โคลนตีนขนาดไหนก็ยังเป็นเพชรเป็นพอยอยู่เหมือนดบัวเราฝึดีชีวิตของเราเหอนดบัวเนือนบัวแม่ทอยู่ในน้าก็ไม่เปลี่ยนตามปูจุ่นในโคลนสุกปกเหม็นพุ่นจาโคลนบางกอยเป็นดบัวงามอมาบูชา กินก็ได้ชีวิตของเราคนจะเป็นดอกบัวจึงเป็นดอก้ายเป็นต้นไม้ที่เป็นสั ญ, ญลักษณ์ของคนกรมดีของพุทธศาสนาไใบบัวอยู่ในเสะนาะดามันไม่หนีฟ้าฝนตกมาก็มันก็เป็นอ่างแับนี้เมื่อมันตกมาแรงมันก็ขังใบบัปปวใบบัวอยงเลย หลอยอกน้ําำเราก็ตั้งขึ้นมาเพราะมันลำมันก้านบัวมันไม่ไม่แข็งแรงเพื่อให้มันเอ็นไปเอ็นน้ำก็ไหลออกเมื่อน้ำเราเราก็ไม่มีเปียกอะไรอมาหลงเกิดขึ้นไหลออกไม่เพียกโดยความฝงไม่ซึมไม่ซับก็ปัปน้ำหลงหัดเหมือนบัว การบริหารก็เหมือนสำลีสำลีผ้าซุปไว้แล้วว่างหลงอันนี้ก็หลงอยู่ยิ่งจำดียิ่งสัญญาดีในความหลงในความทุกข์ก็ยิ่งจำเอาดีในความดีค่อยๆจำความดีไม่เยอะไม่ชอบคิดเห็น ความชั่วที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราความโกรธจอมตายกูไม่ลืมตายไม่ลืมแล้วกูได้โกรธตายไม่ลืมจอมได้จอมดีตายไม่หัดปัญจาซึมซับแบบนั่นลวกวิญญาณสัญญาสังขารวิญญาณเป็นขันธ์ที่สมมุรณแบบเป็นภพเป็นชาติสิ่งเหล่านี้เราพ้นได้นะ มั่นใจในข่าวศอนมั่นใจในประสูตรทำจะน้อยก่อนทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสุดนี้เรามีความทุกข์ครอบงำแล้วมีความทุกข์อย่างเอาแล้ ว, ลวมีความทุกข์เป็นบ้างหน้าแล้วแวน่ออนที่สุดสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเกิดหนึ่งตายหนึ่งเก็บเกิดหนึ่งเก็บหนึ่งเกิดหนึ่งแก่หนึ่งตายหนึ่ ง, น, ง, น, ง, น, งนั่นะคือเป้าหมายของฟีสิกเรา เราจะถึงเชื่อนั้นเท่านั้นหรือตอนที่ยังไม่ถึงตอนนั้นเราจะทําอะไรให้มันดีกว่าเดิมเดินจะโบดพองเราความเจอความเจ็บความต่างเราต้องมีความเจ็บเป็นธรรมดาแต่เราพ้นความเจ็บไปไมาได้โยมหรือจํานุนแล้วหรือถ้ามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเราจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ แล้วมีความตายเป็นธรรมดาจะลงพ้นความตายไปไม่ได้ยอมลรือหรอโอ๊ยวิตกกักวันเราเดืยวกลัวกันใหญ่ลราเดือดได้ยินเห็นตรงนี้กลัวแล้วไม่แต่กลัวเฉยๆมองตรงบนข้ามดูสิมีการปฏิบัติพึกัษ ทำชนไหนการทำที่สุดแต่งกองทุกทั้งสิน้นนี้จะพึงปรากฏชัดเจรเราได้อุทิศหลานตังสมมาสมพุทธังทมตามพระพุทธเจ้าบารครูของเราเนี่ยอุทิศคือทำตาบ ม, มันมีสูตรมันอยู่ในเรานี้สูตรทําตามมันให้อยู่กับพระพุทธเจ้ามันอยู่กับทุกชีวิต สูตรนี้ผ้าทายหนึ่งวันหรือเจ็ดวันผู้ใดมีสติเป็นในกายเป็นประจําปฏิบัติอย่างนี้มีสติเป็ น, นกายอยู่เป็นประจำหนึ่งวันหรือเจ็ดวันจะเป็นพระอ น, นิสงส์สองประการหนึ่งพระอนาคามีสองเป็นพระลาหน์แลอย่างกลางหนึ่งเดือนอเจ็ดเดือน จะได้เป็นพระนาคามีหรือเป็นพระลหารจากช้าที่สุดหนึ่งปีถึงเกตปีมีเป็นพระนาคามีเป็นพระละหันแน่นอนที่สุดต้องพระเจ้าท่าทายถึงขนาดนี้แล้วมีกี่คนกี่มนุษย์กี่คนที่ที่พิสูจน์เรื่งนี้กันจริง หรือมีเจอหนังสือตำราเอาไว้ว่ากันเล่นภาษากลกแก้วลกูกขนทองน่าจะกระตือรุ่ น, นแล้วมีสิทธิจริงๆตำรามีสถีเป็นก า, ายเป็นประจำเนี่กรรมฐานเห็นกาอยู่เป็นประจำอะไรเกิดขึ้นเรเห็นอยู่ปนประจำเนยรู้อยู่เนี่ย ขอให้ที่นี่เป็นที่ฝึกลองดูถ้าไม่มีที่ใดขอเสนอให้ใช้ที่นีจะมีหมู่มีมิตรมีเพื่อนพอกอยู่กันได้ถาเกิดปัญหากับการทำอย่างนี้มีเพื่อนมีมิตรมีกันเลียนมิตรโนเดือนมาตามพ่ก่อตามครู เราเป็นศิษิ์ที่มีครูไม่ใช่เราดีคนเดียวครูของเราที่ยิ่งใหญ่คือพุทธเจ้า่าถึงครูอาจารย์เราหลายลูกหลายองคนงมาถึงหลวงปู่เทียนก็ยังเป็นที่พิศุทกันอยู่ทำตามรองรูปแล้วก็มีอามีทางไปเป็นทางไป เป็นลูกเป็นนามรูปมันบอกนามมันบอกว่ามันเป็นอะไรที่มันเกิดกับลูกของนามนี้เดี่ยวคงกับมันเชื่อไหนเพียงรลงเหมือนกับพระที่เจ้าสอนไวไหมเราทำดูเหมือนพระทธเจ้าสอนไวเหมือน พระพุทธเจ้าสอนไว้เราทําบางทีเราทําแล้วจึงรู้ทีหลังเช่นศีลมีแล้วจึงรู้สมาธิมีแล้วจึงรู้ปัญญามีแล้วจึงรู้มีแล้วจึงเห็นเป็นแล้วจึงรู้โอ้ตื่นทีแท้พพุทธเจ้าเาลยรู้เรื่องนี้เราจึงอุ่นใจเหมือนพรพุทธเจ้าอยู่ข้างหน้าอยู่เฉพาะหน้า เวลาเราปฏิบัติไปแบบไหนเราพัพากผินภาคปฏิบัติรวมผิดพรเจ้าก็อยู่เบื้องหน้ารวมถูกพระเจ้าก็อยู่เบื้องหน้าเวลาบันเผิดเหมือนกับพระเจ้าตะโกนบอกเราอยูอ่เวลามาถูกพู้เจ้าควักมือเรียกไปบายบายเหมือนกก กบไม่เคยเจอน้มกบคคก่บเห็นน้าในกระลาก็ลงไปเล่นจ้ะสนุกสนานไม่มีความสุขในน้ากลาก็ไม่พรเจ้าอาจะออจะบอกว่าน้าในเบึงในหนองมีมากกว่านี้ไปยิกง จะเขียนตัวเอยงด้วยเหมือนกันตรงนี้นะบางทีเราปฏิบัติทำไปมันมีความสุขปิติปัจจตินำตาไหล ย, ยิ้มถึงคุณพ่อคุณแม่คิดถึงความผู้คนทั้งหลายเกิดความสงสารเมตามีเหมือนกันอารมณ์แล้วเราปฏิบัติทำไปมีอารมณ์ปิติปัจจทิเมตตา เกิดขึ้นสงสารตัวเองมากกว่าสงสารอะไรในโลกเลยนี่เหมือนกันตามตาไหลสงสารตัวเองที่ไม่เคยช่วยเหลือตัวเองปลอให้ลูกหมกหมมอยู่กับควมเศ่้าหมองปลอให้น้ําหมมทุกข์โมเศร้าหมองหลงล้น ค, คุณคิดไม่เคยช่วย เก่งอย่างอื่นแต่ช่วยรูปช่วยนามไม่เป็นไม่รู้จักช่วยโกรธก็เป็นโกรธทกุก็เป็นทุกย้อมไปเลยหลงก็เป็นหลงไปเลยรักก็เป็นลักไปเลยเกลียดก็เป็นเกลียดไปเลยตามตามสิโลันนมาไม่เคยช่วยตัวเองพอไม่รู้จักเราบางกนพ้่นออกมา โออกมาแต่ก็โดดออกมาแล้วเห็นมอง ด, ดูเห็นสงสารจงสารตัวเองเกิดปิติขึ้นมาเกิดสุสติขึ้นมาเปลี่ยนทิวิตใหม่ขึ้นมาก็าอย่าไปหลงคือมันเกิดกุ้มบกปุนคนคิดคง้องเอาห้อนอน ความเหี้ยก็ย่อไปหลงมีเหมือนกันเกิดขึ้นเหมือนกันเห้นเป็นข้อสอบให้เราเลยเฉลย ส, สติเป็นตัวเฉลยที่ยอดเยี่ยมเหมือนกุญแจดอกอีกเปิดได้ทุกสถานการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นกับกากับใจมั่นใจมั่นใจ มันก็ว่าเห็นแล้วก็ยิ้มได้เหมือนกับว่าเห็นไผ่ ย, ยิ้มได้มือไผ่มียิ้มได้มือไผ่มีมันเป็นอย่างนั้นจริงจริงคำว่าทําไมไม่มีนี่จะว่าไม่เป็นลายอะไรเกิดขึ้นไม่เป็นลายมันจึงจริงตั้งแต่นี้ไปเหมือน เราอยู่ ห, หน้าเหมือนทางลาดชันมันลาดเป็นต่อนานเหมือนทางขึ้นเขาทางขึ้นเขามันไม่ใช่ก็โดดขึ้นมาเลยต้องลาดตั้งแต่นานๆมีวิธีลาดบางที่ปฏิบัติทมก็เหมือนกันจริง่ยากก่อยๆเป็นค่อยพมันลาดอ ตัามากระทัดสินสมาธิปัญญาสิ้นกมาช่วยปกติในภาวะ ท, ที่มันไม่ปกติสมาธิกมาช่วยในภาวะ ท, ที่มันหมกมุ่นคุนชิดงอนแน่นคนแผน่นสมาธิมาช่วยหนักแน่นในขนาด น, านัน้นหนักแน่นขนาด น, านั้นเหมือนเรือขับน้าน้าหนักหลายร้อยตันไม่หวันหว่นไหวปัญญามายช่วย ขนส่งขนจ่งมองตรงกันข้ามมันลากหรือมันเรือปิ้งในน้าเทียบท่าเรือเทียบท่าชีวิตต้เทียบท่ามันมีภาพนั่นมีท่ามันเทียบได้แล้วจ้ ถ้าจะบอกว่าเทียบท่าแต่เห็นไม่เป็นงาน่ายได้่ท่าตรงนี้พุ่นทุกอย่างเลยบอกว่าเห็นเหมือนกับว่าทาเป็นแม่พระเจ้าทรงสัจสะเรือ่าทุกเห็นทุกไม่เป็นทุกคนจากทุกปฏิญาตสาม เราก็เห e no um. well right yeah. ็นอย่างนี้เองกันเห็น um, ทุกไม่เ um ป็นทุกคนจอกทุกเหลือเทียบท่าโจดเทียบท่าได้อย่างรัดรําความเจิดความเก็บความตายไม่ได้เก็บพวกเก็บไม่ได้เจ็บพวกเก็บไม่ได้ตายพวกตายมันตรงกันข้ามน่าเหลือเทียบท่า เราจึงฝึกตุนเองในความแก่ความแก็บความตายอะไรแก่อะไรเก็บ อ, อะไรตายเราเห็นไปหมดแล้วตั้งแต่เห็นรูปเป็นนามเป็นอาการเป็นธรรมชาติเห็นรูปทำนามทำหรือรูปทุกนามทุกเห็นขันหน้าตามความนจริง เหมือนกับพูดเมื่อวันก่อนว่ารีบซะขันห้าเนี่ยมันรีบอะไรมันตายอะไรมันตายเมื่อมันรีบก่อนแล้วไม่มีอำนาจตายมันรีบไปแล้วไม่มีภพมิชาติในขนันฮ้ามีแต่ชีวิตต้นร่วนชีวิตจริงจรงไม่ได้แก่ชีวิตจริงๆไม่ได้เก็บชีวิตจริงๆไม่ไ ด, มได้ตาย การความตายเป็นเรื่องอันหนึ่งไม่ใช่ชีวิตมันเจ็บก็เห็นมันเจ็บไม่ได้เป็นผู้เจ็บนี่คือชีวิตมันเจอก็เห็นมันเจอไม่ได้เป็นผู้เจอนี่คือชีวิตเหลียเทียบถ้าเห็นไม่เป็นมันเจ็บเกิดถึงมันหายใจไม่ได้ก็เห็นมันหายใจไม่ได้ ไม่ต้องอาศัยมันนี่คือชีวิตไม่ต้องอาศัยอะไรที่เกิดกับลูกกับนามมันต่อยอดมาเป็นชีวิตไม่เป็นอะไรกับอะไรเพราะเห็นมาหมดทําไมจะต้องไปเป็นกับมันเราลูกมาก่อนเราลูกก่อนแล้วสํานานทางํานานทางเห็นหมดจริงที่เกิดขึ้นต่อไปกับใจ แถ้าเรามีสติมันจะแสดงออกป่าให้เห็นหมดเปื่อกสิงบางสิ่งแต่ก่อนเรายังไม่เห็นนั่นถ้าแต่ก่อนเราไม่เห็นมันหลอกให้เราแสดงไปตามมันเหมือนเราไปดูหนังดูละครเวลาเขาแสดงบทหัวโลกหัวโลบทโชโซกเขโชโซก หดล็อกก็ล็อกร่วมไปแบบนี้เราเป็นผู้ดูเขาแสดงอะไรก็ดูมันไมนไม่ได้แสดงกับเขาเอรูปหนามันแสดงแล้วก็ดูแบบมันจะแสดงถึงถึงสภาพของมันตามความเป็นจริงความร้อนก็แสดงออกมานี่คือความร้อน เห็นแน่นอนตุนการของรูปความหนาวเป็นความหนาวเป็นอการของรูปก็แสดงเราไม่ไเป็นผู้ล้นไม่เป็นผู้หนาวเราดูแลเหตุความเจ็บความปวดก็เหมือนกันเรื่องปวดความรูปความหลงกิเลสตัณหาเป็นการของนาวเขาจะแตกออกมาเราก็ไม่เป็นไม่กำมันเราก็ดูไน ดูมันนี่ยมันยิ่งใหญ่คำว่าดูมันยิ่งใหญ่แต่ไม่กระจกจ้อยเหมือน ก, การว่าที่เป็นคำว่าเป็นเนี่นิดน้อยหรือเกินบวมคำว่าเป็นเนี่ยคือมันอ่นอนแอหรือเกินม่นยิ่งใหญ่ ถูกข่มขืนวอมหลงเป็นผู้หลงถูกข่มขืนถ้าเราเห็นมันรับไม่ได้ต้องมีสติมันมีมันต้องเกียก็ขึ้นต้องชำนาญขึ้นํำนานในการในใจนี่แหละเป็นปัญญาที่เกิดกับปากับใจนี่แหละไม่ใช่เกิดที่ไดไม่มีใครสอน ปัญญาพุทธะได้บทเรียนจากกาจากใจที่ใช่กายใช่ใจถูกต้องเห็นมาบทเห็นครบเห็นท่วนมีทุกขิปิดไม่ปิดบงังลำพากตมีสติจึงได้ความตกตามความเป็นจริงได้บอกความเท็จความจริง ได้เห็นมาแล้วได้รู้มาแล้วได้สัมผัสมาแล้วความโกรธไม่จริงแน่นอนความไม่โกรธจริงแน่นอนโดยสุดถ้าเวลาใดที่หากว่าใครมีความโกรธชี้หน้ามันได้เลยว่านั่นไม่จริงหรอกความไม่โกรธจริงกว่าอย่าหมดโอกาสอย่า จ, จนตรงนี้ยิ่งใจตรงนี้เวลามาทุกข์ความทุกข์ไม่จริงความไม่ทุกข์จริงกว่า จงบอกตนอย่างนี้มีสติอย่างนี้กระโดดได้ตรงนี้กระโดดได้ไกลตรงนี้นะทุกยิ่งกระโดดได้ดีสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษกระโดดได้ดีสติจะพากระโดดพ้นไปจากที่ตรงนี้แล้วชำนิชำนานเป็นสาสตร์เป็นสิ่งตื่นก็ตื่นตรงนี้นะ ผมวจันทรเขาเกิดอยู่ตรงนี้ไม่เปลือบเพื่นบริสุทธิ์ตรงนี้ไม่ใช่เหมือนนั่งบริสุทธิ์สาจินไม่เดนหนูเดินตาเดินย่องย่องไม่ใช่แบบนั้นผมวจันบริสุทธิ์ตรงนี้เวลามันหลงไม่หลงเวลามันทุกข์ไม่ทุกข์เวลามันโกรธไม่โกรธเวลามันพวงแตงเป็นสังขารเป็นวิสังขารไม่พวงแตงบริสุทธิ์อย่างนี้เลยว่าผมวจัน ไม่ใช่ไปดูอะลรดูสภาพที่ทำทั้งนั้นทาทําให้เราเป็นพรหมจรรยมาใช่รูปแบบจะนั่งย่องย่องจะไม่หลบเปินถูตาค่อยไปอะไรก็ตาถ้าว่าหลงเป็นหลงทุกข์เป็นทุกข์ไม่ใช่พรหมจรรย์แน่นอนภาพปฏิบัตินลุยๆนะไม่ใช่ไปย่องนะลุยๆเหยียบไปเลย เยียบตรงที่มันเปนสูงกันมาตรงที่ที่เหยียบเหยียบความหลงสูงของคมลงเหยียบความทุกข์สูงกองความทุกขเหยียบความโกรธสูงของความโกรธมาให้เราเหยียบใช่ไหมอยากจะพูดแบบนี้เหยียบกิเลสตันหาอ้สังขารนะเหยียบเขาเหยียบความหลงไปเลยเจ้าสังขารเรารดนเจ้าเจ้าเสียแล้ว ได้จะมาทำอะไรให้เราอีกไม่ได้ต่อไปแล้วาำ ว, ว่าว่าอย่างนี้เหยียบนได้นลยนะตัวเจา้ า, า, า, นนาทิุทานมาครั้งเลยอเนกชาติสังสรรค์ลองส้นดาบปิชังอิปิชังแต่ก่อนเราไม่รู้ไม่มีย้อนไม่รู้เ่านี้เราได้เล่นต้องเที่ยวไปในสงสารเปในกนชาติต้องเที่ยวปล่ยไหลไปฉันติทันทะเลไหลไปกลับไ ป, ไปกลับมาเวียนว่าอยู่นั่น ข้าก็ลังกับเวสชั้นโตทุกค่าชาติพุนนาปุนนางแสวงหาอยู่ซึ่งไหนช่างปูกเดือนคือตัณหาผู้สร้างพบเห็นแล้วอะไระต่อไปฮะแบบ น, นี้เรารู้จักเจ้าเสร็จแล้วเจ้าสังขารเลยเจ้าจะมาคงทำให้อะไรให้เราไม่ได้อีกต่อไป คงเดือนของเจ้าเราหักเสียแล้วโท เ, เดือนเราลือเสียแล้วยียข้งเราพุนแล้วจะถึงปุง่งงเตมันะอะไรเกิดขึ้น น, นีมันเยียบแล้วผาจะว่าเป็นสมน้ำหน้าของสังขารนะเยียบ์ข่มนะมัน <c oughs> มันมันยินมันมั่นใจเหลือเกินตรนี้นะ มันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่นี่กายสังขารจิตสังขารเนี่ยมั่นใจที่สุรเลยสลดงทำไมไปทุกสมัยไปโกรธไปเคืองกันทําไมต้องไปทําอะไรกันทาไมเบียดเปีนกันทาไม <c oughs> มาช่วยกันเนี่ยมาบอกความเทิดกลมจริงเนี่ยให้เดินนี้ลงดูสิให้ลูกอยู่นี่ลูดในกายอยู่ให้ลูกอยู่ซิมจะเห็นอะไรเห็นความคิด มันคิดมากแหละดีแต่มาคิดลงไปคิดหึงครั้งก็รู้หนึ่งครั้งถ้ามันจะงบนิ่งอ่ะไม่ดีนะมันไม่ได้มีคู่ชกคู่ส้มแลม้วเรามีปฏิบัติให้มันมีอะไรเกิดขึ้นอาจจะได้รู้มันบางทีก็กระโดดออกออกฉากสักหน่อยยุดสักหน่อยยุบขึน้นเ ด, ดินดําไปชึกเล็กเน้อยไปกลับเขาอีกเหมือนมวยเขาชุกกันน่ะ ออกฉากออกชากมันได้จังหวะ ด, ดีไหมแต่ลุมบอลไม่ใช่นะมาปฏิบัติตลุมบอนไปเลยสัง่วงของหวนลนานี่ยยังไม่ใช่แบบนั้นตล่ลมบอน ม, มันมุ่นมันปุ้นบอนออกมาซะก่อนฉากมีปฏิบัติอิทธิบทเกลี้ยเกลี อ, อย่าจนอย่าไปนั่งสบงอกอยู่สองครัง้สงสามครั้งจะไม่ ตัวมาแต่ลุบบอลไม่ได้ต้องมีฉากออกมามีคือปฏิบัติมีเทคนิคของไข่ของมันไม่ต้องจนวิธีการหามาใช่แล้วแต่ใครจะมีแรงน้อยแรงมากอันแรงปฏิบัติเท่ากันหมดไม่ว่าหนุ่มป้าสาวคนเท่าคนเจย สตินี่ไม่ใช่เป็นคนเจอ๋อไม่ใช่เป็นคนหนุ่มไม่ใช่เป็นเด็กไม่ใช่เป็นนักบวชหรือ ว, ว่าญาติโยมสติมันเป็นสติอยู่ที่นี้ก็เป็นสติถ้ามากำหนดรูดในการรู้อย่างนี้เป็นสติทางนั่นทานที่สม บ, บัติทรรสมบัติของเราเราจึงถ้ า, าทายชั่งหน่อย อดทำไมทุกข์ทำไมโง่ทำไปปุ้งแต่งอะไรมีประโยชน์อะไรจุดจากนี่มันก็สง่างามยุดนี่มันสง่างามวัดมังซอนไม่เป็นอะไรกับไรเอามันตรงนี้ก็เนาะไม่เป็นอะไรกับอะไระต้องปลนเจเวลา